ท่านสาธุญาณวรจารย์สิงหาคม 2534 ก็ขอต่อตอนเมื่อวาน de kwantje in de rampen van de kant. Haar in dit doel jaggit. Tell me, een in de hoe het dan nu het nu toch is, hoe het nu toch is. dat het nu toch is. Hoe het nu toch is. Hoe het nu toch het nu toch is. Hoe het nu toch is. Hoe het nu toch is. Hoe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 ทั้ง 2 อีก 2 ตรวดก็มีสภาพเหมือนกันก็ถามว่าในภูเขานี่มีอะไรเรื้อมีมีแสงสีเขียวออกมาเขาบอกเยอะ ทองคําที่เป็นแท่งเค้าหลอมแล้วก็เยอะจะเอาไป ก็ได้แต่งตัวสวยๆแต่ไม่ได้ใส่ยาดานะไม่มีไม่มีเครื่องประดับแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนคนสวยของ พระเจตถวัณมันก่ายกันโนเข้าญาติได้เกินไม่มีมีดเพียงมีขวานเป็นเอาต้องขอแรงเทวดาดึงฐวัณให้ชาวพอช่องรอดตัวเข้าไปได้ก็เลยฐวัณไปแล้วก็เจอถ้ํา เปลือกจริงๆสีดำก้อนใหญ่มากโคกระบาดแล้วก็มีหลายจุดท่านเทวดาก็บอกลงจุดไฟขึ้นจุดเทียนก็จุดเทียนส่วน พอมือไว้แต่พับรับพบเข้าที่เดิมตามเดิมเทวดาถึง เวลาประมาณบ่ายสัก 2 2:00 น. เสร็จเกือบ 3:00 น. ก็ร้อยของไอ้บะไหลก็ดิ้นปั๊บได้บะไหลเลื่อยไปพวกเรามองดูก็แปลกเนี่ยไม่มีใครก็ทําอ่ะไอ้ประการหนึ่งไอ้หินเนี่ยเหล็กมันแทงมันไม่ไหวแทงบดหินน่ะมีบะไหล ท่านก็แทงแทงไป 4 วาทั้งท่าน 3 องค์ทั้ง 3 องค์มองโดนหน้ากันกษัตริย์ทราบกําลังใจว่า แล้วทําไมจะคุยกันได้ถ้าไม่ยอมคุยด้วยกันทั้งทั้งแต่ปลัยไอ้รอบๆตัวเรา ik heb een paar ให้โยมพรมลายทิ้งพรมลายทั้งพรไปรากไม้ทั้งหมดให้หลอกกันขนาดนี้ก็ต้องต้องท่านก็เปื้อนผ้าดี <c oughs> ว่าท่านองค์นี้ต้องเป็นอรหันต์อย่างน้อยได้ปัญญา 6 ให้ไปไปเห็นไป มันเหลือกินเหลือใช้ไปเดี๋ยวก็เน่าหมดหม้อข้าวหม้อแกงก็ไม่อาจารย์สอนมาแล้วสิอาจารย์ที่อง 6 องค์นะสอน ก็บอกว่าพบก็พบอีกหลายแล้วใช่มั้ยของดีบอกนั่นไม่ดีพอมัน ทรงโปร่งใสผิวเหลืองสวยสดและงามมากให้ก็สอนกรรมฐานแบบง่ายๆเหมือนกับพระหรันที่ 6 องค์เหมือนกันไม่ผิดเปี้ยบเหมือนไม่เปี้ยบเลยเพราะท่านก็ เธอจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่คําสอนของฉันเราเราเขาก็เขา เขาตายเค้าไม่ได้ตายด้วยเค้าอยู่เค้าอยู่แล้วมันจะอยู่ด้วยเรื่องของเขาเรื่องของอื่นทั้งหมดอย่าสน จำเวลาพูดเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็โดนเอาแล้วปากก็ ก็เป็นว่าท่านก็สอนกรรมฐานแล้ว พอแม่พ่วงที่นั่นเขาไปรู้สึกท้องก็ปาน เมื่อฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็เข้าเทวดาถ้ารุ่งกันช้าจะบอกฉันจะ pega o l l l y t a d i m l a y a p d e o n s i l l l y a pas y l a y u y o y o u y a un e n s i l e a y a y a y a q a mu a e a n y y a y a y a Bo t t t m u n a y a y a y u n a y y a sa l a d สักครู่จึงหมดไรก็เป็นเดือนตอนนี้ไปเธอจะพบของดีถ้าถ้าฉันจะลานั้นเป็นหน้าที่ของเธอถ้าเธอรักษากําลังใจดีเธอก็ดีได้ถ้ารักษากําลังใจไม่ดีคราวนี้พังแน่แต่เขาบอกไม่ใช่เสือไม่ใช่ช้างไม่ใช่หมีไม่ใช่เก้งไม่ใช่เล็กไม่ใช่อะไร หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทอดทรงเลื้อยไปก็มีผู้ <c oughs> พอแล้วก็เจอต้นอิกโมดิเวนเนี่ยมีต้นขาเต็มหมด <c oughs> จะไปกุหลาบก็กุหลาบดาวเรืองก็ดาวเรืองโดยเฉพาะฤษีเดินไปเดินไปก็ชักขึ้นสูงไปเทียนน้อยหน่อย แต่เป็นภูเขาที่บนยอดมีความสวยสดงามมากเป็นที่มาเล่นที่กีดขวางทางเดินของใครก็เว้นไว้แต่ <c oughs> ถ้าไม่ตกพวกเขารุ่นนี้ <c oughs> <c oughs> สง่าเมฆมากมันเดินเร็วเหลือเกินเดินเฉื่อยๆช้าๆ น้ำมีสะใหญ่สะใหญ่มากน้ําใสแจ๋วเหมือนน้ําตาพอเห็นก้นสระนึกเหมือนใครก่กระท้มไว้ลองเอาหินเล็กๆโยนลงไปเห็นหินก้อนนั้นลอยลงไปด้วยเหมือนก้นสระแล้วโยมทั้งสองก็บอกว่าท่านครับพอทะนิทิที่พักพระดงพระ <c oughs> อะไรเคยสอบได้ก็อยู่ตรงนี้ก็ถามว่าคนที่ขึ้นมาวันนี้สอบตกมีมั้ยเขาบอกไม่มีผู้ที่สอบตกเนี่ยผมไม่ผมไม่พามาครับเพิ่งว่าเห็น โยคท่านบอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันธรรมศาสตร์นี่ธรรมศาสตร์อนุทาดที่ทํามหาราชทั้ง 4 ชอบมาส่งน้ําที่ตรงนี้ถ้าพาบริวารมา โยมก็บอกว่าที่ที่ท่านมาอยู่คนละถ้ำทำเล็กๆทำไม่เล็กมาก <c oughs> บนแท่นหินที่กลางแจ้งแสงพระจันทร์เต็ม ค่ํานั้นกําหนดฐานเสร็จก็มานั่งคุยกัน เสียงเสียงเสียงเสียงเส้นสายไม่ได้ดนตรีแห้วมาได้ ถ้ากลางหมู่สาวก็มีสาว 4 สาวหามทะเลงทะเลงก็สวยมากประดับประดาสวยสดงามพราวพลุกไปสาวที่ 9 ออกมาจากทะเลงสวยกว่าทุกคนหมดแต่งโทษสวน พอเราตกเที่ยวหยอกล้อกันไปหยอกล้อกันมาเหมือนกับทดแทนพวกก็ยิ้มก็ก็ จะไปผีทางฟ้าเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ต่างคนต่างลงเล่นน้ําเค้าลงเล่นหายแวบ ก็เหบดดำน้ำถ้าไม่เห็นโผอีกวันเลย นึกถึงพระอินทขะที่อินทขะก็ไม่มาซึ่งทั้งใครใครก็ไม่มาเงียบหมดถึงถึงท้าวมหาราชทั้งราชก็ไม่เห็นท่านท่านอาจ <c oughs> อย่าลืมว่า มีเหงษะประมาณ 2 2,000 <c oughs> คนเศษด้วยประมาณแล้วมีสตรีตั้งไปด้วยเช่นคนในสตรีสวยกว่าทุกคนหมดต้องอาบน้ํา เธอก็ยืมแท้เธอถามว่าจําได้มั้ยถ้าจําใครถ้าจําฉันบอกไม่รู้ฉันไม่จําผู้หญิงทั้งหมดเจอเป็นผู้หญิงคนดีผู้หญิงนั่งผ้าถวายกับท่านฉันไม่จําถ้าคืนจําอะไรฉันก็เจงเมื่อนั้นเธอไม่ยอมจําภาพของใครทั้งหมดเธอก็บอกนึกถึงนึกถึงเบื้องหลังบัก อนาคตต่อไปข้างหน้าใจก็ไม่คิดถึงคิปัญญบทปัจจุบัน <c oughs> เป็นบัวต้องทดลองดูก่อนๆต้องพบดีก่อน ออกบ้านมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับอยู่ไม่ไกลหรอกท่านอยู่ตรงไหนท่านก็ชี้ทรงเดชพอชี้ดูก็มันไกลเป็นวิมานไปโยมก็เลยบอกที่นี่ อนุรุธมาก็ไม่ขวางทางขถ้าช่วงนี้เป็น ไม่ใช่นาทีของผมหน้าที่ของผมเป็นหน้าที่พระ <c oughs> เสวกาตุมะไปบริหารอาหารต่อมาอารมณ์กำเริบขึ้นเดียว ท่านทั้งก็เดินนําหน้าขอโทษทางญาติโยมตอนนี้ท่าน 2 2 องค์เดินไปเดี๋ยวเดียวก็ถึงวัดบานองโฆแล้วก็เลยไปวัดพ่อจงแล้วท่านก็ลากลับเข้าไป สวัสดีท่านใช่มั้ยบ่เตื่อเป็นไงสอบได้สอบตกระบบพ่ออินพอสอบได้ท่านทาเวศสวรรค์กับเออถ้าสอบได้แบบนี้ <c oughs> ขั้นตอนนี้ไปไม่มีใครสามารถชนะใจคนได้ระวังโทสะระวังตัวโทสะอย่าให้มันเกิดขึ้นกับโมหะตัวหลงใจ <c oughs> ก็ดึงแล้วนั่นยอดของอาจารย์ประการที่ 2 ส่วนที่จะประกอบเรื่องกามะโลกิวิสัยคือกามคุณซึ่งก็พบแล้วเธอไม่ติดใจในกามคุณแต่บัด เราทําของเราคนเดียวในกุฏิเรา จะฟังเสียงรู้